วันเวลาของปีใหม่ก็ได้เข้ามาถึงคือวันนี้เมื่อวานก็นปเป็นกลางส่งปีเก่าเป็นวันสุดท้ายคือเมื่อวานปีใหม่คือวันนี้ตามสมมุติของโลกโลกเขาว่ายอย่างนั้นก็เข้าใจในสมมุติของโลกอยู่ อธิบายทำมาในระยะเวลาปีกว่ากว่ายังไม่ถึงปีเกือบจะครบปีเจ็ดบ้านเกือบจะครบเกือบจะครบปีแล้วเปิดเพจตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเจ็ดมกราเจ็ดมกราผมว่ใกล้จะครบปีแล้ว ก็คิดว่าอะไรก็ตามที่ได้เทศได้บอกได้สอนเห็นว่าได้บอกได้สอนได้เทศได้ตอบปัญหาตอบคำถามต่าง ๆ, ๆได้หมดแล้วปัญหาหนอกเหนือจากนี้ที่เคยตอบมา ก, ก็ยังไม่เคยมีปัญหาไหนที่เป็นปัญหาใหม่ๆเมื่อได้ตอบหมดแล้วความจำเป็นในการที่จะเทศพัน ก็คงจะไม่มีมีกมันจะมีปัญหาอยู่มันต้องันอยู่้จะปิดจะง่ายปัญหาคืออยู่ที่คนนี่แหละมันไม่ใช่ปัญหาธรรมแปัญหาคนปลยทนปวดอะไรปวดใครก็ปวดอยู่ในนี้ก็กลับไปย้อนฟังอันที่เคยต่อไปพูดละใจหายเลยนะคะ ต่อเพราะว่ามีหลายคนที่เขาเพื่อมาวิารพระอาจารย์เาก็ได้ฟังที่นีนะเป็นช่องทางนะครัใช่ค่ะย้อนฟังย้อนฟังกันย้อนเหมือนกันนะพระอาจารย์เหมือนกันก็อยู่ในนั้นีและโอกาสที่แหละเสวิต์คำาริงเวลาอุตส่าหนะพอาจรเทศตสารก็ด้ดีการที่เกราก็อ่าก็ก็ใช้การบันทึกอย่างอื่น ไม่จ้งเป็นจะต้องเทพผ่านผีก็ไดนะ้เนาะอาจารย์เหนื่อยนะแต่รวยนะท่านนะมาจะมาทเทปาทเทปแล้วเนี่ยแต่อดไว<า>้เพราะว่าจะใช้ช่วงเวลาได้อาจจะเปิดเทปไปได้แต่ว่าท่านพนมพรจะได้ทำหน้าที่<ช>เป็นผู้สแสดงธรรมแทนคงจะทำลองนะั้นขออาจารย์เลื่อเป็นคน<ว>ค<า>่ะก็ได้หะกห า, หา สะดวกแล้วก็พร้อมไม่ติดขัดเกี่ยวกับท่าทันเพราะหนึ่งถึงสิบเอ็ดกุมภานี้ก็เดินทางไปต่างประเทศสิบแปดก็เดินทางไปต่างประเทศในระหว่างนี้ก็ต้องให้ท่านขนมพรเป็นผู้แสดงธรรมผ่านเพจหากอยากให้เพจอยู่แต่ถ้ามีเพจอยู่แต่ไม่มีผู้แสดงธรรม ก็ไม่รู้จะมีอยู่ทําไมใช่ไหมละ่ะ mm hmm. ก็ให้มีผู้แสดงผ่านเพศนี้โดยเพศธรรมนาวาเป็นเพศที่แสดงถึงแง่มุมหนึ่งในทางผู้ศาสนาที่บางคนอาจจะมองข้ามในแงม่มุมบางแงม่มุมทางเพจก็มีเจตนาประสงค์ที่จะ ถ่ายทอดเรื่องราวในแง่มุมของพุทธศาสนาให้ได้รับทราบอาจจะไม่สามารถอธิบายทาในด้านของความรู้ทางพุทธศาสนาโดยรวมทั้งหมดได้เป็นเพียงแค่แง่มุมหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าความทรงจำในการนำเรื่องราวของธรรมะมาบอกก็ทรงทรงจำได้ไม่ทั้งหมด เป็นบางส่วนเป็นเรื่องของความจำถ้าพูดถึงเรื่องหัวจำ้วมันผุกคนนั่นแหละมันจำกันได้ยากนอกจากผู้ทีูุ่กคีท่องบนสาขยายอยู่เสมออันนี้ก็พอที่จะจำได้อยู่แต่การจำยังไงก็ตามหากการจำผิดเพีย้ยนแล้วก็ถ่ายทอดผิดก็จะเกิดเป็นโทษสำหรับผู้รับฟังตรงเนี้คือสิ่งที่ รู้อยู่เสมอในขณะที่อธิบายธรรมะจึงถือว่าเป็นการแสดงธรรมในแง่มุมหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดในบางแง่มุมที่ได้แสดงออกมาก็แสดงออกจากการปฏิบัติของตนและพระภิกษุที่มาแสดงธรรมแทนทำหน้าที่แทนคือท่านพนมพรหรือภิกษุรูปอื่น โดยส่วนมากคือแสดงออกในแง่มุมที่ตนเองได้ประพฤติปฏิบัติมาเป็นลักษณะของการถ่ายทอดเรื่องราวของการปฏิบัติที่ได้ลงมือปฏิบัติแล้วระหว่างการปฏิบัติเกิดผลอย่างไรแล้วกเกิดอุปสรรคเกิดเรื่องราวปัญหาข้อขัดข้องแล้วพี่นาะคีคลายเรื่องราวเหล่านั้นให้ผ่านพ้นไปได้อย่างไรแล้วก็จะได้ รับฟังในแง่มุมนั้นเพราะนั้นเพจทำนาบาจึงเป็นการถ่ายทอดถึงเรื่องราวของการปฏิบัติในแง่มุมในส่วนของเฉพาะการปฏิบัติไม่ได้ถือว่าสิ่งที่ทางเพจแสดงหรือพูดออกไปนั้นเป็นเรื่องถูกต้องทั้งหมด คือไม่ได้บอกว่าสิ่งที่พูดไปเป็นเรื่องถูกต้องเพราะว่าเป็นเรื่องปัจจตังเป็นเรื่องเฉพาะตนในบา ง, บางเรื่องแต่ก็อยากจะแสดงทัศนคติในมุมมองผ่านเพศโดยอยากมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบพระพุทธศาสนาทางด้านหลักคําสอนว่ามีหลักคําสอนบางหลักคําสอน ที่ถูกเข้าใจผิดในหมู่ของพุทธศาสนิกชนแล้วหลักคาสอนที่ถูกเข้าใจผิดในหมู่ของพุทธศาสนิกชนนั้นก่อให้เกิดหลักธรรมแบบใหม่ที่เข้าใจเอาเองว่าเป็นความถูกต้องอาตมาจะใช้คำว่า อ, รอารยธรรมแห่งศาสนาใหม่ เพราะว่าเรื่องราวของศาสนาได้ชื่อว่าเป็นอารยธรรมก็เรียกว่าธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญอารยะอารยะหรือว่าอริยมันก็คือมาจากหลักสัตว์เดียวกันอารยะคือความเจริญอริยะก็คือความเจริญเจริญจากสิ่งที่มันไม่เจริญพัฒนาไปสู่ความเจริญอริยะก็คือการพัฒนาจิตใจของบุตุชนให้เข้าไปถึงความเป็นอริยะคือบุคคลผู้ ข้าถึงความเจริญจเจริญโดยธรรมเรียกว่าอารยธรรมอริยธรรมเพราะฉะนั้นหากหลักคําสอนได้ถูกเข้าใจผิดพลาดผิดเพี้ยนทางเพจเกอ็อยากจะมีส่วนร่วมในการปกป้องหลักคําสอนที่ผิดเพี้ยนนั้นโดยการแสดงทัศน์ของตนต่อหลักคําสอนเป็นการท่านแสดงทัศนะออกมานะเป็นแง่มุมให้ นำไปสู่การขบคิดพินิษฐพิจารณาใข้ควรตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งปีที่ได้แสดงทำออกมาก็มีหลายแง่คิดที่แสดงความเห็นผ่านเข้ามาในเพจทางเพจก็ยอมรับแนวความคิดทุกความคิดที่แสดงผ่านออกมาเพราะทางเพจไม่เคยปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นจากคนทุกหมูเหล่าที่ได้เข้ามารับชมรับฟัง ทั้งที่พอใจก็มีทั้งที่ไม่พอใจก็มีทั้งที่วางใจเป็นกลางๆเฉยๆก็มีทั้งที่รู้บ้างไม่รู้บ้างก็มีทั้งที่รู้จริงๆเหมือนกันก็มีมันมันเป็นธรรมชาติในแต่ละบุคคลที่ได้รับรู้รับทราบอันนี้พูดในแง่ของเพศก่อนอก่อนที่จะเข้าถึงหลักธรรมพูดในแง่ของเพศว่าจุดยืนของเพศเป็นอย่างนี้ ตอนแรกก็ไม่ยังไงไม่ไม่ได้ต้องการถ่ายทอดเรื่องเราหรือการแสดงธรรมนี้ไปถึงชนเราอื่นคนกลุ่มอื่นเป็นเพียงแต่มีจุดประสงค์ที่จะแสดงธรรมผ่านเพจเพื่อให้ลูกศิษย์ที่เคยฝึกปฏิบัติมาในแนวทางนี้ได้รับชมรับฟังในโอกาสที่ไม่ได้เดินทางมาที่สำนักเพราะ ลูกศิษย์บางท่านก็อยู่ไกลต่างจังหวัดต่างพื้นที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ก็ให้รับชมผ่านเพจอันนี้ก็คือจุดประสงค์แรกแต่เมื่อโลกของออนไลน์มันส่งผ่านกันไปได้แบบไม่มีขอบเขตไร้ขอบเขตไปถึ ง, ถงกลุ่มที่ไม่ใช่ลูกศิษย์ที่ได้รับฟังรับชมที่มีความเห็นว่า ธรรมะที่แสดงออกไปนี้เป็นธรรมะที่พอยอมรับฟังได้หรือนำมาสู่การปฏิบัติได้เขาจึงเห็นว่าเพจเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ก็เลยเกิดมีการร้องขอให้อนุเคราะห์คนกลุ่มอื่นบ้างในการที่จะ แสดงทำผ่านเพจก็บรรดาธรรมะที่ได้อธิบายออกไปหากจับประเด็นให้มันถูกต้องในส่วนที่อธิบายคือจับประเด็นข้อธรรมประเด็นในแง่งของการปฏิบัติซึ่งเป็นเฉพาะตนเฉพาะอัตมารหรือว่าหมูพ่พิสุที่อยู่ที่นี่ซึ่งมีทัศนะเดียวกัน และกย็อยอดยมพินิษที่มีทัศนะเดียวกันในเรื่องการปฏิบัติหากจับประเด็นและแง่มุมในเรื่องของการปฏิบัติได้ก็จะเข้าใจว่าหลักของการปฏิบัติไม่ได้มีแง่มุมที่ลึกลับซับซ้อนดังที่เราเข้าใจมันมีเพียงแค่การปฏิบัติที่เราจะปฏิบัติได้มากหรือน้อยเท่านั้นเองเพราะว่าความรู้ที่บอกไปธรรมะที่ได้อธิบายไป ก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจในประเด็นแห่งธรรมที่สามารถจับเอาไปสู่การปฏิบัติเพราะการปฏิบัติมันก็เหมือนกับการขุดพื้นดินขุดดินเนี่ยขุดลงไปครั้งหนึง่งเสียมหรือหรือว่าจอบขุดลงไปในดินครั้งหนึง่งดินมันก็ขึ้นมาเท่าที่ขุดลงไปหนึ่งครั้งหลุม ที่ถูกขุดก็ลึกเท่ากับการขุดลงไป1ครั้งหากขุดลงไปอีกสองครั้งดินก็ขึ้นมาเพิ่มขึ้นหลุมก็เริ่มลึกลงไปอีกขุดลงไปอีก3ครั้ง4ครั้ง5้าครั้งหครั้งจากขุดกี่ครั้งก็ขุดที่ดินที่หลุมเดิมมันก็จะลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการปฏิบัติก็เหมือนประดุดังการขุดดินนี้ พิจารณาก็พี่นาอยู่ที่กายกับจิตกายกับจิตกายกับจิตอย่างนี้พี่ณาครั้งหนึ่งก็รู้แค่ครั้งเดียวพี่นาสองครั้งก็รู้2ครั้งพิ่นาสามครั้งก็รู้สาครั้งถ้าสี่ครั้งห้าที่สอนให้พิจารณานี้หากเราพี่นาอยู่ย้ำๆซ้ำๆก็จะรู้ลึกๆลึกๆลึกๆลึกๆลึกๆลึกๆลึกลึกลึกลึกลึกลึกลึกลึกลึกลึกลึกลึกลึาลึกลึกลึกลึกลกลึกลึกลึกลนกลึกลลึกลึกลึกลึกลึกลึกลึกกลึกลกลึกลึกลลึกลึกลึกลึกลกลึกลกลึกลึกลึกลึกลึกลึกลึ บางคนมีความเพียรมากขุดมากก็ได้รู้ลึกลงไปอีกก็ต้นพื้นดินอันเดิมนี่แหละก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันลึกลงไปอย่างเงี้ยในโอกาสของพิสูจที่มีโอกาสมากกว่าชาวบ้านจึงได้สามารถเข้าถึงธรรมได้ง่ายกว่าชาวบ้านชาวบ้านซึ่งมีขีดมากทุกละมากนะขุดลงไปครั้งสองครั้งแต่ทาการงานวางวางจอบวางเสียม ไปทำการงานเว้นว่างจากการงานมาสด sure? ับตับฟังและนําไปสู่การปฏิบัติเขขุดลงมือขุดคือปฏิบัติคือที่นาัละแหละขุดก็คือการพิจารณาคําว่าพิจารณาคือการคิดคิดหนึ่งครั้งคือคิด1ครัค้ง2ครัค้ง3ครั้งเป็นแค่การคิดความคิดยังไม่สามารถสร้างควา ม, มรู้ได้แต่ถ้าคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกย้ําแล้วย้ําอีกย้ําอยู่นั่นแหละล้าย้าอยู่เรื่อยๆย้าอยู่เป็นประจําคิดย้ำย้ำซ้ําๆำพี่นะท่าสี่ขันห้ารู้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับตนเป็นท่าสี่ขันห้า ทุกสรรพสิ่งพิจารณาให้เกิดการติดต่อเนื่องกันมันก็เป็นการการคิดย้ำๆอย่างเนี้เรียกว่าพิจารณาคิดครั้งเดียวคนเดียวก็เป็นแค่คิดเพราะฉะนั้นการพิจารณาคือการคิดแต่เป็นการคิดโดยแยกทายคิดอยู่ในหลักเหตุหลักผลคือการพิจารณาบางคนบอกว่าพิจารณาแล้วมันฟุ้งซ่านจะทํำยังไง การการที่เราโดยที่จิตยังสามารถรู้กายตามความเป็นจริงรู้จิตตามความเป็นจริงได้อยู่จะฟุ้งสั้นแค่ไหนก็ตามก็เป็นการฟุ้งสั้นไปในธรรมความฟุ้งสั้นไปในธรรมนี้เขาเรียกว่าธรรมุทภคือฟุ้งไปในธรรมการฟุ้งไปในธรรมนั้นไม่ได้เกิดโทษแต่ประการใดให้มันฟุ้งไปเถอะมันไม่ใช่โทษ อย่าไปกลัวความฟุ้งซ่านหากฟุ้งไปในธรรมแล้วไม่ต้องกลัวแต่ถ้าฟุ้งไปในสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ควรกลัวบางคนบอกก็เมื่อเมื่อมันฟุ้งนั้นไม่สงบหากเราจะมาเอาความสงบก่อนที่เรายังไม่สามารถทําอะไรเลยคือเรายังไม่ยังไม่จัดการกับอะไรเลยแล้วไปเอาความสงบหนึ่งความสงบที่เกิดขึ้นเป็นความสงบที่นํามาสิ้นโทษเพราะในขณะที่เราขุดดิน เราก็ต้องออกกําลังออกแรงออกขคืนเขาเรียกว่ามันต้องวุ่นวายก่อนนะมันจะไปรอสงบเลยมันจะไปทําอะไรได้ความสงมบจะทําอะไรได้ทําลายกิเลสไม่ได้แต่เมื่อพิจารณาจนถึงเหตุผลของมันแล้วแล้วไปตัดมูลเหตุแห่งความวุ่นวายภายในได้คือตัดความหลงผิดตัดอวิชา ตัดสิ่งที่เป็นอุปทานยึดมั่นถือมั่นในภายในได้ความสงบจะเกิดขึ้นมารองรับเองอัตโนมัติเหมือนกับการขุดดินที่ถึงที่สุดแล้วต้องการเป้าหมายของตัวเองต้องการอะไรเหมือนกับขุดไปถึงตาน้ําก็ได้น้ําอย่างเงี้ยขุดลงไปถึงถึงอะไรต้องการอะไรอยู่ใต้พื้นดินทรัพย์สินและท่าต่างๆเขาก็ขุดกัน ก็เดิเจอก็จดนํามาสู่ประโยชน์ได้ก็ประมาณนี้ในทํารองนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี้ความรู้ของพวกเราหรือความรู้ที่ผู้ศรัทธาชนทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาหรือถูกสอนมาไม่ได้เป็นความรู้ที่แตกต่างจากที่อาตมารู้เลยเป็นความรู้อเดียวกันไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนแต่ที่มันมันต่างกันก็คือการปฏิบัติเพราะนั้นเอง ถ้าจะรู้ขุดลึกก็รู้ลึกขูดตื่นก็รู้ตื่นอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ได้นอกหนักไปกว่ากันในเรื่องความรู้แต่การปฏิบัติเนี่ยเป็นจริงเป็นสําคัญหนึ่งเป็นความสําคัญที่จะนํามาซึ่งผลผลเนี่ยจะทําให้เราเกิดความรู้แจ้งเพราะฉะนั้นการรู้แจ้งในธรรมเนี่ยมันจะมองเรื่องราวทางศาสนาออกว่าอะไรคือ ความถูกหรือความผิดอะไรคือข้อเท็จข้อจริงในศาสนาหากไม่เกิดผลทางด้านการปฏิบัติจะไม่สามารถมองออกได้เลยว่าหลักคําสอนที่ถูกเป็นอย่างไรหลักคําสอนที่ผิดเป็นอย่างไรเพราะหลักคําสอนทั้งหมดคือผลของการตรัสรู้ของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและผลของการตรัสรู้ของสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่พยังบอกสอน มนุษย์เราอยู่พุทธศาส น, นิกชนเราอยู่เนี่ยผู้ที่จะเข้าใจธรรมะนั้นได้ถูกต้องและจะนําพาเราไปสู่หลักการปฏิบัติที่ถูกต้องคนนั้นก็ถูกต้องเป็นคนที่เข้าถึงผลนั้นแล้วถึงสามารถมองออกได้ว่าหลักธรรมไหนถูกหรือผิดเมื่อทัศนะในส่วนของทางเพจที่ได้ถ่ายทอดออกไปโดยอาตมาเองมีตัวตนดูย้อนหลังก็จะเห็นความเคลื่อนไหวต่างๆนานาในการอธิบายหลักธรรมในแต่ละที่ ไปแต่และทีที่ไหนก็พยายามพรอมสอนบอกสอนหลักธรรมในส่วนที่เป็นหลักคำสอนก็จะสามารถเข้าใจได้ว่าสิ่งที่ตถตมาบอกสอนผ่านเพจออกไปนั้นมีจุดมุ่งหมายคืออะไรแท้จริงคือต้องการให้คนได้ตื่นขึืนอมารับรู้ส่วนที่เป็นหลักคำสอนที่เป็นหลักคำสอนของพระสัมมาพุทธเจ้าที่ถูกต้องจริงๆริราะในทัศนะของอาตมานั้นได้มอง เรื่องราวทางศาสนาในส่วนที่เป็นข้อเท็จข้อจริงนั้นมองว่าเรื่องราวของทางพุทธศาสนานั้นตกอยู่ในวิธีแห่งความเข้าใจผิดกันมากและมักจะโน้มเอียงไปในเรื่องของความงมงายท่านประยุโตได้ให้คำนิยามว่า ชาพุทธเรากำลังเข้าสู่ยุคของการถอยหลังกับคือโดยปกติแล้วเริ่มแรกของมนุษย์นั้นเกิดมาจากยุคของอนารยชนชนที่ยังไม่เข้าถึงความเจริญยังไม่มีพระอริยความเจริญยังไม่ถึงคำว่าเจริญนี้คือเจริญโดยสติปัญญาเจริญโดยธรรมอันนี้คือความเจริญเรียกว่าอนาฬยชน หาที่พึ่งยึดเดียวเต็มไปหมดหรือว่าอะไรก็ยึดเอามาพึ่งหมดพระเจ้าเสือพระเจ้าประจำทะเลพระเจ้าประจำต้นไม้พระเจ้าประจำอากาศพระเจ้าอะไรต่างๆนานาเขาจะมีที่ยึดพึ่งทางใจมากมายแล้ <c oughs> วอานาละยชนชนที่ไม่เข้าถึงความเจริญจึงเกิดมีการยึดพึ่งาศาสนาขึ้นเรียกว่าเป็นพระหูเทวานิยม นั่นคือชนที่ยังไม่เข้าถึงความเจริญแต่เมื่อมนุษย์ได้ฉลาดขึ้นพยายามสแสวงหาความรู้แจ้งกันมากขึ้นแต่ก็ยังไม่บรรลุถึงแต่ในระดับดึงก็เกิดการรวมพระเจ้านะั้นพระเจ้านี้พระเจ้าต่างๆที่เคยยึดพึ่งนั้นให้รวมเป็นพระเจ้าองค์เดียวว่าพระเจ้าแม้จะมีหลายหลายจำพวกก็ตามสุดท้ายก็ต้องมีองค์เดียวที่เป็นหัวหน้าพระเจ้า เราก็นับถือพระเจ้าที่เป็นองค์เดียวนะั้นก็เลยเกิดเป็นศาสนาใหม่ขึ้นมาเรียกว่าเอกัเทวานิยมขึ้นคือมีมีพระเจ้าองค์เดียวนับถือพระเจ้าองค์เดียวไม่มีองค์สองประมาณนี้ยถ้านับถือพระเจ้าองค์สองก็แปลว่ามีเป็ น, เ ป, นเป็นองค์องค์อื่นเป็นบริวารของพระเจ้าองค์นี้นะความเข้าใจเป็นเพราอย่างนั้นแล้วความเจริญทางน่านสติปัญญาก็พัฒนามาเรื่อยจนมาถึงยุค ข, ของพระเจ้าเราพระเจ้าบอกว่าที่พึ่ง ที่เราจะสามารถพึ่งได้คือตัวเราอย่างอื่นพึ่งไม่ได้โพงไหวพระจงพระเจ้าพระ อ, อีสวรพระ อ, อะไระต่างๆพึ่งไม่ได้คือหลักคําสอนโพองค์ทรงสอนมาอย่างนั้นในรทางพุทธการแล้วพระอง์ก็หักล้างทิฏฐิโดยหลักศักดิ์และทิฏฐิที่โพระองค์ทรงหักล้างมาในทางพุทธการนั้นล้วนแล้วแต่ใช้ความจริงคือหลักธรรมเนี่ยเป็นตัวล้างทิฏฐิคือความเห็นผิดทั้งหมดจากนั้นุศษนาก็ ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นในสังคมอินเดียเกิดมีผู้รู้เข้าถึงความเป็นอริย บ, บุคคลจำนวนมากตั้งแต่โสดาบันสากท า, า, า, าคามียนาคามีจนถึงพระอาราหันต์โลกก็เต็มไปด้วยแสงสว่างแห่งปัญญา <Yes. S 1> ในเวลานั้นผู้สานิกชนไม่มีความเข้าใจหลักธรรมผิดพลาดเลยแม้แต่คนเดียวเพราะหากใครเข้าใจหลักธรรมผิดพลาดจะถูกขนาดจะถูก แก้ไขทิฏฐิใหม่จะถูกแก้ไขความเห็นใหม่ให้ถูกต้องเขาเรียกถูกปรับทิฏฐิใหม่จากคนที่รู้และเข้าใจคือพระอริยบุคคลอย่างเงี้ยพระอริยบุคคลท่านจะปรับทิฏฐิคนที่เข้าใจหลักธรรมผิดใหไมแม่แม้แ ม, แม่ตัวเองไม่สามารถแก้ได้ก็จะนำเรื่องไปกราบูคุณพุทธเจ้า ว, ว่าภิกษุผู้นี้ได้มีทิฏฐิและมีความเห็นอย่างนี้เช่นมีความเห็นว่าวิญญาณเป็นผู้ท่องเที่ยวไป ไปสะเว่ยผลบุเสเวยผลบาปมีตัวตนแล้วมาเกิดมาเป็นคนอีกก็คือตัววิญญาณนี่เองเป็นตัวเป็นตนพระเจ้าบอกว่าวิญญาณอย่างนั้นไม่มีทิฏฐิเราเนี่ยเป็นความเห็นผิดโผงใหม่เนี่ยวิญญาณที่เป็นตัวเป็นตนไม่มีวิญญาณเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นโผงก็จะตัดปราบทิฏฐิเหล่านั้นให้ลงลาบค่ะหรือแม้แต่ภิกษุที่มีความเห็นผิดว่าเมื่อพระองค์ทรงตัดไว้ว่าทุกสรรพสิ่งเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนของตนเอง ก็ดีแล้วเราก็ไม่มีตัวตนของตนเองกรรมที่เราทําก็ไม่ตกเป็นของเราเพราะเราไม่มีตัวเมื่อกรรมที่เราทําไม่ตกเป็นของเราเพราะเราไม่มีตัวนั้นเราจะทําอะไรก็ได้เพราะเราไม่มีตัวเพราะอันตัวที่มันไม่มีตัวคืออนัตตาตัวที่เป็นอนัตตาไปทําสิ่งต่างๆมันก็จะเป็นอนัตตาไปหมดอย่างเงี้ยผู้เจ้าก็บอกว่าก็มิวิชาที่ผิอีกก็เห็นผิดอีกเอามันจะผิดได้ยังไงก็โพงคนพลตานเองบอกว่าสัพเพสังคาลา อนิจจาสัพเพสังฆาราทุกข า, า, ขาสัพเพธรรมาอนัตตาทั้งปวงทั้งหมดเป็นอนัตตาก็อนัตตาถ้าจะทำกรรมชนิดไหนก็เป็นอนัตตาสิไม่ให้ตัวตนของไทยเห็นไหม ก, ก็ยังมีแล้วเชื่อไหมว่าคนที่มองเห็นอนัตตาอย่างเนี้ยนํามาสู่การปฏิบัติยังมีทิฏฐิอย่างนี้ยังในการปฏิบัติในหมู่ของพุทธบริษัทในพุทธเราในเวลานี้ยังมีอยู่นะยึดถืออนัตตามาปฏิบัติบอกไม่ต้องทําอะไรหรอก มันไม่มีตัวตนอยู่แล้วในพวกทแล้วต้องไปทําอะไรกับมันยังมีในอย่างนะไม่ใช่ไม่เอาไม่มีนะนนะเป็นอนัตตามองเห็นอะไรเป็นอนัตตาหมมันก็เลยผู้โอ์บอกว่ามันเป็นวิชาทิฏฐิ ท, ทาไมถึงเป็นวิชาทิฏฐิเพราะบุคคลใดที่ยังมีความเห็นอยู่ว่าตนเองเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนคือความเห็นใดๆก็ตาม ที่ยังเห็นอยู่ว่าตนเองไม่มีตัวตนนั่นเท่ากับว่าสําคัญว่าตนไม่มีตัวตนการสําคัญว่าตนไม่มีตัวตนเป็นการสร้างอัตตาอย่างหนึ่งขึ้นมาในความไม่มีอัตตาหรือสร้างอัตตาอย่างหนึ่งขึ้นมาในความเป็นอนัตตาเห็นไหมเพราะอะไรเพราะผู้คนที่รู้อนัตตาแล้วท่านจะวางรู้ด้วยปัญญาพระยาจึงบอกว่าเมื่อลูกไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยง ลูกก็ไม่ไม่สามารถคงทนถาวรเวทนาก็ไม่คงทนถาวรสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่คงทนถาวรสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงทถาวรจึงไม่ใช่ตัวตนของมันเองอย่างเงี้ยและเมื่อบุคคลใดยึดถือสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงทนถาวรสิ่งที่ไม่ใช่ตัวของมันเองและไปสัมคันมั่นหมายในสิ่งนั้นในตนว่าตนก็ไม่ไม่ใช่ตัวตนการสัมคันมั่นหมายอย่างนั้นไม่สามารถทําให้คนทุทธได้แต่การรู้ตามความเป็นจริงด้วย ยานหรือว่ารู้ตามเป็นจริงจะถึงจะทาทุกคนทุกเพราะนั้นพระองค์กบอกว่าทาที่พระองค์ทรงแสดงทั้งหมดให้เพื่อให้เกิดอนุโลมยานี่ไม่ได้จิบกาแฟบ้างกิบกาแฟฟั<า>ง้วจะหลับคาพังเขาดาวมาหรือเ่ไม่คช่คือยุคนั้นจะยุคเป็นยุคที่ พุทธบริษัทจะเข้าใจหลักธรรมตรงกันมากไม่มีใครกล้าแสดงหลักความเห็นที่ผิดเพี้ยนเรือที่ถูกแสดงถูกออกผิดเพี้ยนเนี่ยก็จะถูกแก้ให้เข้ากับหลักความเห็นที่ถูกต้องอย่างตรงไปตรงมาอย่า ง, อ ย, างอย่างที่เป็นจริงแต่ปรากฏว่าพุทธศาสนาที่ล่วงเลยมา 2,500 กว่าปีแทนที่หลักความจริงนี้จะถูกแสดงออกปรากฏให้เป็นที่รับรู้รับทราบทั่วไปแต่หลักธรรมนั้น กลับไม่ได้ถูกแสดงปรากฏขึ้นมาแต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในเวลานี้คือความถอยหลังกลับไปสู่ยุคอนาะยชนในทางพุทธศาสนาถอยหลังกลับยังไงคิดดูว่าเรามีอะไรเป็ดีพึ่งตั้งมากมายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยในพุทธศาสนาเนี่ยกลับไปสู่ยุคของพอหุเทวิญยม นิยมสิ่งที่ยึดพึ่งเต็มไปหมดพ่อหูแปลว่ามากเนี้ยย่อท่าล่าหลังไปมากเลยทั้งทั้งที่โลกเข้าถึงความเจริญแต่สติปัญญาของมนุษย์ล้าหลังทั้งทั้งที่พุทโธทรงตัดได้ว่าตัวเราเท่านั้นที่เป็นพึ่งตัวเราได้คนอื่นไม่สามารถเป็นที่พึ่งกับตัวเราได้มีแต่ตัวเราเท่านั้นบางคนไม่เข้าใจไงมุมนี้ ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องพึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมคติก็พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าให้พึ่งพระองค์พระองค์บอกว่าให้ระลึกถึงพระองค์พุทธทางสานังคฉามินั้นคือให้ระลึกแต่การพึ่งอัตถิอัตโนโนาโถนั่นคือพึ่งตัวเองหากว่าหากว่าเราจะใช้คําว่าที่พึ่งว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมคติเป็นที่พึ่งก็พึ่งโดยการระลึกของเราเอง การระลึกของเราเองนั่นแหละคือที่พึ่งที่เราจะพึ่งพึ่งการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าจะเป็นที่พึ่งได้ก็ต่อเมื่อเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องพระธรรมจะเป็นที่พึ่งได้ก็ต่อเมื่อเราระลึกถึงพระธรรมนั้นอย่างถูกต้องพระสงฆ์จะเป็นที่พึ่งได้ก็ต่อเมื่อเราระลึกถึงพระสงฆ์นั้นอย่างถูกต้องแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เราระลึกพึ่งนั้น พพระพุทธเจ้าพระธรรมโพสงได้สอนให้เราย้อนกลับมารู้จักการพึ่งตนเองการพึ่งตนเองนั้นคือการพึ่งที่ประเสริฐที่สุดการพึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมระสงพึ่งได้เพื่อเป็นหลักยึดเพื่อไปสู่การประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคาสอนอันนี้คือพึ่งในผลทางพึ่งในแนวทางพึ่งในหลักการ ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเพทธรรมาวาที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่อัตมาได้แสดงพัศนะคติต่อพุทธศาสนานในแง่มุมของอัตมาเองเป็นการแสดงแง่มุมเฉพาะตนอาจจะถูกก็ได้อาจจะผิดก็ได้แต่มีหลักคำสอนซึ่งเป็นตำราคำพี ไว้ศึกษาค้นคว้าเป็นข้อมูลพื้นฐานให้เราได้เข้าถึงกันอยู่แล้วว่าสิ่งที่นาพูดนั้นถูกหรือผิดอย่างไรคขาบ่าถูกหรือผิดนั้นต้องเป็นความรู้ผิดถูกหรือผิดอย่างถูกต้องนะไม่ใช่ไปตีความเอาเองว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดแบบนี้ด้วยความเข้าใจของตนไม่ได้เราก็ไม่สามารถเข้าใจด้วยด้วยความเข้าใจของเราได้แต่เราเข้าใจหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าผ่านตัวหนังสือที่เรียกว่าอัภาระ หรือว่าวั จ, จะนะที่เป็นภาษาบาลีบาลีคือภาษาที่เขียนเพื่อรักษาพุทธพจน์ให้อยู่ในรูปแบบของมคตภาษาแต่ไม่ได้ใช้อักขระของมคตใช้อักขระของไทยแต่เขียนแบบมคตเขียนออกเสียงแบบมคตพุทธะอย่างเงี้ย พุทธเป็นภาษามาคตคือเสียงเนี่ยบุตระบุทระธรรมะสรงกะสรงพะเป็นเสียงมคตการที่เราจะรู้จักได้ก็ ร, รู้จักผ่านตัวหนังสือนี่เพราะฉะนั้นคนที่รู้เรื่องของอัคราถ่าที่ถูกต้องจึงจะสามารถเข้าใจเนื้อความของหลักธรรมคาสอนได้อย่างถูกต้องจริงๆถ้าไม่เข้าใจถึงอัคราถ่า จะไม่สามารถเข้าใจถึงหลักคําสอนที่ถูกต้องได้เลยได้แต่ตีความกันไปต่างๆนาน า, นาตามความคิดที่ตัวเองคิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หลายๆอย่างที่พระองค์ทรงใช้ภาษามคตสอนคนมะคตเองคนมคตก็ยังเข้าใจผิดก็ยังมีเยอะและอันนี้นะหลักภาษาของบาลีภาษา ถ, ถูกแปลมาเป็นภาษาไทยแล้วภาษาไทยนํามาสอนเราก็ต้องมีแง่มุมที่ค้าเคลื่อนบ้างที่เป็นความเข้าใจผิดในความรู้สึกของคนเพราะ แต่ละคนที่รับรู้รับทราบเรียนรู้กัน <c oughs> ก็เริ่มจากความเป็นบุรุชนกันมาก่อนและความเป็นบุรุชนนั้นก็ยังไม่สามารถทําความเข้าใจในหลักทําได้อย่างของแท้ได้ปริญญาเรียนมามากแค่ไหนก็มีภูมิความรู้ในชั้นของปริญญาแต่เมื่อก้าวเข้ า, เขามาสู่การปฏิบัติความรู้ในชั้นของการปฏิบัติเท่านั้นที่จะอธิบายเรื่องราวของกุฏโพุทธได้ถูกต้องตรงกับเนื้อหาอย่างธรร เพระพเจ้าทรง ส, ร, สรรเสริญการปฏิบัติธรรมที่บุคคลเข้าถึงแล้วว่าเป็นบุคคลได้ถ้าเป็นถ้าเปรียบเทียบกับบุคคลผู้เลี้ยงโครพระเจ้าบอกว่าการเรียนปริยัติเหมือนกับบุคคลผู้เลี้ยงโคแต่บุคคลผู้ปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงผลประดุดดังเจ้าของโคเหมือนกับเป็นเจ้าของาศาสนานี้เป็นเจ้าของหลักคาสอน เป็นเจ้าของแห่งผลที่ตนเองได้บรรลุเป็นสามีจิตวติปนอมปฏิบัติอย่างสมควรสมควรแก่การต่างๆที่ควรจะได้รับไม่ว่าจะเป็นอาหุเนโยควรแก่การอาหูเนโยแปลว่าอะไรควรแก่การบูชาใช่ไหมปาหุเนโยควรแก่การต้อนรับ ทักคีนโยควรแก่การทักศีนาทานอันชลีกัลลโยควรแก่การกราบไหว้ประมาณนี้อันนี้แปลว่าผู้สมควรอันนี้คือควรในในส่วนของแง่ของเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญทายอยู่ครับะครับะวิธีเต็มมันคืออะไร ออ ห, รหรือว่าหรือว่าอันแล้วมันทีหลังนัามันเล่นทีหลังนะมันเล่นตอนนี้มันเล่นอยู่แล้วนี่ทายอยู่เลยมันแปลก เอาไงต่อพูดต่อใช่ไหมตเอาลนะงั้นก็ก็ขอสรุปเรื่องราวที่ได้แสดงผ่านเพจทั้งมทที่ผ่านมาแม้แต่ยังไม่ครบปีก็ตามนะก็ะถือว่าในโอกาสปีใหม่ในวันนี้ว่าทัศนะที่ได้แสดงออกไปเป็นทัศนะเงมุมในส่วนที่ต้องการอยากจ ะ, จ ะ, จะมีส่วนรับผิดชอบพระพุทศสะนาทางด้านหลักคาสอน จึงได้อธิบายและชี้แจงเรื่องราวทางศาสนาผ่านเพศให้ได้รู้ถึงข้อปฏิบัติที่พึงกระทำอาจจะเป็นความรู้ส่วนหนึ่งที่น้อยนิดในความรู้ส่วนมากเพราะพุทธศาสนามีความรู้มากเหมือนเมื่อกับมหาสมุทรอาจจะเปรียบเป็นแม่น้ำก็คือเป็นแม่น้ำสายน้อยสายหนึ่งที่ไหลลงสู่มหาสมุทรแต่ก็ นึกเป็นห่วงกับเรื่องราวของาศาสนาที่คนกำลังกระพฤติบัติกันอยู่ในเวลานี้ถ้าพูดออกไปมากจะเกิดการกระทบกระเทือนมากก็จะมีพูดถึงแง่มุมนั้นในโอกาสปีใหม่เดี๋ยวจะทำลายบรรยากาศปีใหม่ๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็สรุปแต่เพียงเท่านี้ในโอกาสปีใหม่นี้อาตมาก็จะให้ข้อธรรมกับพวกเราสักเล็กน้อยเพื่อเป็น สิริมงคลในชีวิตแล้วก็เป็นคติในการดำเนินชีวิตเป็นข้อธรรมสอนใจเป็นเครื่องส่งเสริมหนุนนำจิตใจของพวกเราให้ตั้งอยู่ในหลักธรรมวันเวลามีความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนผันอยู่ทุกขณะชีวิต และจิตใจของมนุษย์ทุกคนก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนผันไปทุกขณะเหมือนกันประดุจ ด, ดั่งเวีนวันเวลาที่เปลี่ยนผ่านเปลี่ยนไปนั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งหมดไปละไปสิ้นไปชีวิตและวัยของเราก็ละไปสิ้นไปหมดไปเหมือนกันกับวันหนึ่งคืนหนึ่งที่มันล่วงไปละไปหมดไปสิ้นไป สาระสำคัญของชีวิตที่กําลังลักไปกําลังล่วงไปกําลังดับไปเมื่อมันยังไม่ถึงไข่แห่งชีวิตของการดับอย่างถาบอลสิ่งที่เราควรจะยึดถือเอาเป็นสาระแก่นสารในความเป็นอยู่ที่เราเป็นอยู่ในเวลานี้คือมองเห็นสิ่งที่ล่วงไปลักไปดับไปเสื่อมสิ้นไปนั้นว่า สิ่งเหล่านั้นเมื่อถึงข่าวเสื่อมสิ้นไปแล้วจะไม่สามารถกลับมากระทําใหม่หรือสร้างใหม่ได้อีกเราจะมองเห็นว่าขณะแห่งปัจจุบันที่เราเป็นอยู่ที่ยังไม่ได้ล่วงไปยังไม่ได้สิ้นไปยังไม่ได้ละไปยังไม่ได้ดับไปนี้จะเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตความเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า เป็นทางแห่งความไม่เสือ่อมพระองค์บอกว่าหากบุคคลใดก็ตามตั้งอยู่ในความไม่ประมาบบุคคลผู้นั้นจะไม่เข้าถึงความเสื่อมเลยและบุคคลที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาบจะสา ม, มารถกระทำตนเองให้เข้าถึงความเจริญได้ทุกเมื่อถึงแม้ทุกสรรพสิ่งจะเป็นธรรมชาติที่ร่วมไป ลับไปดับไปเสื่อมสิ้นไปก็ตามความไม่ประมาทในธรรมอันตนได้ประพฤติแล้วนั่นแหลจัดเป็นเครื่องหนุนนำค้าชูและส่งเสริมให้เราตั้งอยู่ในความเจริญอยู่ตลอดการทุกเมื่อบุคคลผู้ประมาทได้ชื่อว่าเป็นบุคคลผู้ตายแล้วบุคคลผู้ตายแล้วจั ทำประโยชน์อะไรได้แม้มีชีวิตอยู่ก็มีชีวิตอยู่สักแต่ว่าเพียงแค่มีลมหายใจเข้าออกเท่านั้นไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อประโยชน์กับตนเองหรือคนรอบข้างหรือต่อสังคมแต่ประการใดบุคคลผู้ตายแล้วคือบุคคลผู้ไรประโยชน์แม้จะมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิน้นพระองค์จึงทรงตรัสความไม่ประมาทไว้ให้มรุษทั้งหลาย อย่าประมาทในชีวิตโดยพระองค์ทรงตรัสเป็นปัจฉิมวาจาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนคือประโยชน์ตัวของเราเองที่จะพึงกระทาขึ้นจงยังประโยชน์คนอื่นคือประโยชน์ที่ <c oughs> เป็นเครื่องเกื้อกูลอนุอเคราะห์เผื่อแผ่ไปถึงชนเราอื่น จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด <c oughs> อันนี้คือหลักคำสอนที่เป็นคติเตือนใจแล้วก็สอนบอกให้พุทธศาสนิกชนได้รับรู้รับทราบว่า <c oughs> พระพุทธองค์เองก็ถึงขราวเสื่อมสิ้นไปตามกาลเวลาทางด้านกายสังขารแต่เรื่องราวของ พุทองค์ที่องค์ได้ทรงสั่งสอนเป็นหลักธรรมไว้สิ่งเหล่านั้นยังคงอยู่จงอย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทนิ่งนอนใจเลินเล่อใจเพราะวันเวลามันไม่เคยหยุดนิ่งมันผ่านไปร่วงไปดับไปเสื่อมสิ้นไปอยู่ทุกๆขนาดแล้ววันเวลาที่ผ่านไปร่วงไปละไปเสื่อมสิ้นไปทุกๆขนาดนั้นไม่ได้ผ่านไปร่วงไปดับไปเสื่อมสิ้นไปเฉยเฉย มันเอาชีวิตของเราร่วมไปด้วยเสื่อมสิ้นไปด้วยดับไปด้วยชีวิตเราก็หมดไปหมดไปหมดหมดไปแต่ลขัขณะพงจึงบอกว่าความไม่ประมาทนี้ประดุดดังรอยเท้าช้างในธรรมทั้งหลายทั้งหมดที่เราตถาคสอนมาไม่รู้ว่าเขาเปียบ ว, ว่าแปด0มืี่พันธรรมขันธรรมทั้งหลายเหนะล่านั้นรวมลงอยู่ในองธรรมอันเดียวคือความไม่ประมาท เพราะฉะนั้นแล้วในโอกาสปีใหม่ในวันนี้ที่ก้าวผ่านมาถึงขอให้พวกเราทั้งหลายจงตั้งชีวิตของตนไว้ในความไม่ประมาทความไม่ประมาทคือไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในอายุไม่ประมาท ใ, ในทรัพย์สินเงินทองไม่ประมาทในวันเวลาและไม่ไม่มัวเมาในความเป็นอยู่ในโลกตรงนี้นี่แหละ คือสิ่งที่มีความสำคัญจงรีบเร่งประพฤติปฏิบัติในกิจที่เป็นสารประโยชน์ให้กับชีวิตตนชีวิตคนอื่นแล้วก็หากเป็นไปได้ก็ให้เข้าถึงสาระแก่นสารคุณธรรมสีประการคือความเป็นปัจจุบันสกัดอาคามีอนาคารีและก็พระอรหันต์ขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลบุญกุศลที่เกิดจากการถวายทาน บุญกุศลที่เกิดจากการรับฟังธรรมเทศนาบุญกุศลที่เกิดจากการแสดงธรรมของอาตมาขอบุญทั้งสาประการนี้จงเป็นมหันตเดชานุภาพอเมว ย, ยพรตอบสนองให้ญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้มีความสูขความเจริญเจริญด้วยอายุมีอายุยืนนานเจริญด้วยวันนะมีผิวพรรณผ่องใสเจริญด้วยสุขะมีความสุขกายสบายใจเจริญด้วยพะละัมีกาลังบังชาสมบูรณ์แข็งแรง และขออนุภาพแห่งบุญนี้จงมีฤทธิ์มีอนุภาพมาลายสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดภายในปีใหม่ทั้งปีนี้ให้หมดสิ้นไปจงบรรดาิ่งดีๆให้เข้ามาสู่ชีวิตนุนนำชีวิตของพวกเราให้เข้าถึงความสุขความเจริญพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงพ้นจากความเดือดร้อนทั้งปวงพ้นจากเวรไทยทั้งปวงพ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงปราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานในปัจจุบันาการ และอนาคตการทุกท่านเธอแล้วก็ออคมเวพรคำอธิษฐานเวยพรทั้งหมดเมื่อกี้นี้ให้ถึงแก่ผู้ที่รับชมรับฟังในเพจด้วยขอลงมโมทนาทุกท่าน